หนึ่งสองไปเลยก่อนเรียนแก้หนังสือก่อนเนาะในหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบสองนับลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนับลงหกบรรทัดนะหกบรรทัดนี้ คำว่าพระอานนท์นี้เปลี่ยนเป็นพระอุบาลีแทนยังไม่ต้องบันทึกอะไรก็ได้แกนิสซ์ออใส่นับลงหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบสองนับลงหกบรรทัดบรรทัดที่หกเอาคำว่าพระอานนท์ออกใส่พระอุบาลีแทนเพราะว่าคำนี้เป็นคำของพระอุบาลีเทระ หน้า1 2ึ่งรอยี่สิบสองหน้าหนึ่งร้อยี่สิบสี่ก็เหมือนกันนะบรรทัดที่สองนั่นก็เป็นพระอุบาลีเหมือนกันไม่ใช่พระอันดอน ตรงไหนเนี่ยเอ่อเฉพาะบรรทัดที่สองหน้าหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดด้วยนะนับลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้านับลงสิบห้าบรรทัดเห็นไหม เท้าส ก, กะทรงมีปัญหาเนี่ยเอาเป็นมีปัญญาแทน<ม>เดี๋ยวเพราะว่าเท้าส ก, กะเรื่องมากจะเสียหายหน้าหนึ่งร้ยหกสิบเจ็ดนะนับลงสิบห้าันท่านอะทรงมีปัญญาเออเป็นเป็นปัญญานะไม่ใช่ปัญหา แล้วก็หน้า174หน้า174ีนนับขึ้นสามัญทัดค์คำว่าท่านกัสปะทำไมหนอพานจึงไม่เชื่ออันนี้ไม่เอานะเดี๋ยวเปลี่ยนํำนวนใหม่ว่าท่านกัสปะคนพานได้ทำอะไรให้แก่ท่านได้หรือ เปลี่ยนคำว่าเธอเปลี่ยนให้เป็นว่าท่านกัสปะคนพานได้ทำอะไรให้แกท่านแลหรือเ<ม>คยในเรื่องก็บอกว่าท่านกัสปะทำไมหนอคนพานจึงไม่เชื่ออันนี้ไม่ใช่นะต้องแปลเป็นว่าท่านกัสปะคนพานได้ทำอะไรให้แกท่านแลหรือ ท่านโปรดบอกเหตุมาซีเพราะเหตุไรท่านจึงไม่อยากเห็นคนผ่านนะท่านกับสปะ น, นะสำนวนที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้ทํานงั้นใครอ่านแล้วรู้เรื่องนะโหเก่งมากแก้เสร็จแล้วนะใครยังแก้ไม่ได้มัง้งอ่อคุณวิลาวันยังแก้ไม่ได้นะ อ๋อเออเล่มคุณเวลาวันเป็นปัญญาหเหรอฮไคุณคุณคุณเ อ, อ๊ะคุณได้เล่มไหนมาเนี่ยเออหน้าอะไรหน้าอะไรคุณลาวัน หน้าร้อยยี่สิบสองนี่เป็นพระอุบาลีนะแกเรื่องพระอุบาลีไม่ใช่แกปัญหาอ่ไม่ใช่ไม่ใช่เช่นปอนไม่ใช่นี่มาดูหน้าหนึ่งรอยเจ็ดิบเจ็อีกครั้ง ห น, 7, นหน้า1 7ึ่ง้อเจบเจ็นับลงนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนับลง6บรรทัดบรรทัดที่7บรรทัดที่7ที่คำว่าท่านกัสปะทำไมหนอบัณฑิตจึงไม่ทำต่ออันนี้เอาออกเลยเปลี่ยนสำนวนใหม่ว่าท่านกัสปะบัณฑิตได้ทำอะไรให้แก่ท่านหรือหนอ ท่านกัตบัณฑิตได้ทำอะไรให้แก่ท่านหรือหนอสำนวนที่ถูกเป็นอย่างนี้ันบัณฑิตได้ทำอะไรให้แก่ท่านหรือหนอ ท่านโปรดบอกเหตุมาซีเพราะเหตุไรท่านจึงอยากพบบัณฑิตนะท่านกัสปะคือคือบัณฑิตนี้ดียังไงทำไมท่านจึงอยากเจอเห็นไหมคำคำจำนวนเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นไม่รู้จะอ่านแล้วเข้าใจว่าอย่างไรแต่ทีนี้ถ้าใครอยากกันนี้นะไปดูเล่มเจเอ่อสีนะไปดูเล่ม47หน้า151เนี่ยก็จะไปเทียบเคียงเล่มนั้นก็ได้ หน้า151หรือไม่อีกทีหนึ่งก็ไปดูเล่ม60เทียบก็ได้เล่ม60หน้า280คือในเรื่องเดียวเนี่ยนะมีมีอยู่หลายแห่งมากมันมีสี่ตัวนะครับไอ้ตัวนี้ปิดเพราะว่ามันเข้ามีสูงมาก ถ้าตัวนี้มันเข้ามาอันนี้ถูกว่าตัว